ลพลาดการเห็นอริยสัจแล้วก็บอกว่าทํายังไงจะไม่ให้พลาดบอกมีวิธีเดียวก่อนนะท่องอริยสัจเอาไว้เลยจะได้รู้ว่าเขาบรรลุอริยสัจนะแต่อย่าลืมบอกกิจของทุกคือปริญญากิจของสมุทัยคือละกิจของนิโรธคือทําให้แจ้งกิจของมรรคหรือว่านิโรทคา ม, มินีปฏิปทาก็คือการเจริญเนี่ยนะเรั้นจําอริยสัจ4ี่แล้วก็ต้องจํากิจของอริยสัจสีด้วยเนี่ยนะแล้วก็ กิจสี่างนี้ต้องทํากี่ครั้งบอกว่าทำสีครั้งเรียกว่าอริยสัจสทํากิจ4ี่เรียกสี่สี่สิเรียกว่ากิจกิจ16กเนี่ยนะกิจ16นะแล้วก็อริยสัจสี 4, ่ 4, 4, เนี่ยเขา 4, โดยรอบเนี่ยเขหมุนสารอบถ้าทำมาจักกับปวัตนาสูตรรอบสามาการสิบตัวเลขเยอะๆเลยเนา ะ, ะกลับมาในเรื่องกลับนี้ต่อไปว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าเป็นพัทธกัปเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5องค์ ในห้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะบําเพนบารมีทั้งหลายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากนั้นก็ถือปฏิสนธิในคันของนางพรามณีชื่อว่าวิสาขาภริยาเอกหรือภรยาเดียวของปุโรหิตชื่อว่าอาคิทัตนันะพระอคิทัตเนี่ยนะผู้อนุสาตอัอนุสาต ท, ทำแกพระเจ้าเขมังกรเขมังกระกรงเขมวดี เมื er ่อใดกษัตริย์ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือพราหมณ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็บังเกิดในสกุลพราหมณ์ก็เมื่อใดสพราหมณ์ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชากษัตริย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะบังเกิดในสกุลกษัตริย์เนี่ยนะได้ยินว่าในครั้งนั้นพราหมณ์ทั้งหลายอันกษัตริย์ทั้งหลายสักการะเคารพเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ชื่อว่ากับุสันธะผู้ตั้งมั่นอยู่ในสัจจะนะพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในส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 พระคันนั้นแผ่นดินไหวแสงสว่างอันโอฬารได้ร่วงขึ้นมาพระองค์นั้นอุบัติในสกุลพราหมณ์ที่ไม่อากูลแต่อากูลไปด้วยเหตุเกิดเสริสมบัติหมายาว่าไม่อากูลด้วยเรื่องเศร้ามองอย่างอื่นเลยแต่บริบูรณ์พูนสุขไปด้วยเสริและสมบัติเกิดปาฏิหารเหมือนที่กล่าวมาแล้วพระโพธิสัตว์นั้นก็อยู่ในครันกําหนดครบถ้วน10เดือนประสูติจากพระคันพระมารดา ณพระเขมวดีอุทยานเหมือนเปลวไฟแลบออกจากวัลยทองอ่ะขออภัยเถาวันทองนยนะพระโพธิสัตว์นั้นครองคารวาตวิสัยอยู่4 0 0พันปีมีปราสาทสามหลังชื่อว่ากามกามะวันนะและกามะสุทธิปรากฏมีสตรีป ร, ปริจาริกาก็คือหญิงคอยดูแลรับใช้ประมาณสามหมื่นนางมีนางโรจินีพระมณีเป็นประมุขตั้งคาถามว่าทาไมหนอ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 คัดสรรให้ท่านสบายใจอย่างเดียวไม่ต้องมีเรื่องมากินแหนงแคลงใจเรื่องไม่สบายใจให้ลูกอยู่สบา ย, บายลูกจะได้ไม่ต้องบวชนั่นคือเหตุผลหลักแล้วลูกจะได้ติดในสุขไงบวชนี่มันลำบากลูกจะได้ติดในสุขลูกจะได้ไม่ต้องบวชนั่นคือเหตุผลพันถ้าหากว่าแบบคนธรรมดาทั่วๆไปนั้นจึงถือว่าทาได้ยากน่นะพระองค์ก็ครองคารวาสวิสัยอยู่กี่พันปีนะี่พันปี นะก็อยู่กับพระนางโรจินีพรามณีเนี่ยนะก็อยู่ไปก็จนได้กุมารชื่อว่าอุตระผู้ยอดเยี่ยมนเป็นโอรสของนางโรจินีพราหมเกิดแล้วพระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิตสออกมหาอภิเนศกรมด้วยรถม้าที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็บวชบูรษสี่หมืนก็บวชตามพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์นั้นอันบันปะชิตเหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือน ในวันวิสาขบูรรมีพระองค์ก็บริภคเข้าวมาทุ ป, ปายาที่ทิดาวัชิรินทพราหมณ์น ะ, ะสุจิรินทะนิคมถวายพระองค์ก็พักผ่อนกลางวันณนะป่าตะเคียนเวลาเย็ยนก็รับเอาหญ้าแปดก ร, รมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสุพัทธาถวายพระองค์เข้าไปยังโรพพฤกชื่อว่าต้น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 มันพอพระองค์เมื่อเห็นว่าภิกษุสี่ 0,000 ื่นเหล่านั้นเนี่ยที่บวชพร้อมนั้นน่ะสามารถแทงตลอดสัตวจะวันเดียวเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังป่าอิสิปตนมิกทายาวันซึ่งมีอยู่ใกล้ๆม ก, กิลนครพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางบรรพชิตเหล่านั้นพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรครั้งนั้นธรร ม, มาพิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์จํานวนสี่หมืโกธเนี่ยนะก็บอกโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะถ้าบอกว่า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 ไม่มีชาติชนชาติไหนทีน่คนมารวมตัวกันได้มากเหมือนกับแขกอีกแล้วเยอะจริงๆนะไปดูรถไฟเถอะเออัดยัดเยียดเนี่ยนะไปกันสามสี่สคนกันนึกว่าพวกเรามีเยอะแล้วนะที่ไหนได้นะไปเนี่ยแทบจะหาพวกไม่เจอเลยนะนิดเดียวเลยนะคนเขาเยอะมากนะีประชากรเขาเป็นพันล้านอนะ่ะประชากรเขาเยอะมากเพนั้นเวลาการรวมตัวกันทีงรวมกันทิงหลายแสนรีงหลายล้านบางทีก็ได้ว่า หอบข้าวหอบอะไรมาต่างรัฐเลยแหละโดยเฉพาะไอเทศการอาบน้าล้างบาปเนี่ยเขามากันเยอะจริงๆขนาดพวกฤาษีก็บปา่าเขาเป็นล้านแลว้วนะพวกนักบวชเขาเนี่ยเป็นล้านเนะี่ยพวกนักบวชนุ่งลงหมห่มอากาศนุ่งห่มนิดๆหน่อยๆที่จะมาอาบน้าล้างบาปถือตรีเทศตรืออะไรเนี่ยมาเนี่ยเป็นล้านแลว้วนะคิดดูว่าลูกศิษย์จะมากันอีกเท่าไหร่เนี่ยนะนักบวชมาเป็นล้านเพ้าลูกศิษย์เนี่ยมากันแห่กันมาเต็มไปหมดเลยเขาเขาคนเยอะจริงๆเพราะนั้นผู้ที่อันนี้มนุษย์นะ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 หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักเนี่ยบรรลุสี่หมื่นไปแล้วเนี่ยนะส่นโกดนะต่อมาอีกพระองค์ทำยมะกะปาฏิหารณ์ต้นมหาสาระใกล้ประตูกันนะกุฏชนครพระองค์ยังธรรมจักษุมีโสดาปฏิมักเป็นต้นให้เกิดแก่สัตว์ประมาณส0 0 0 0ื่นโกดอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สองส่วนครั้งที่3ก็คือสงเคราะยักษ์ชวาน ร, รเทพน ร, ร, รเทพยักษ์เนี่ยนะ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 โคจรมันต้องผ่านเส้นนั้นอ่ะมันตรงแต่ทีนี้ก็ต้องเกณฑ์ประชากรจำนวนมากเพื่อที่จะเดินข้ามดงนั้นไปฝ่ายพระศาสดาพระนามวะกะก่ากกสสันทะผู้ปราศจากกิเลสเครื่องผูกในภพวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระองค์ออกออกจากมหากรุณาสมาบัติคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าลำพังอัธยาศัยของพระองค์แล้วเนี่ยนะน้อมไปในอสังคตธรรมคือพระนิพพานอย่างเดียว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 พระองค์ก็แสดงยงมะกะปาติหารหลายอย่างแล้วเสด็จลงไปยังพบคือที่อยู่ของนราเทพยักษ์แล้วก็นั่งเนื้อบรรลังอันเป็นมงขนไปถึงนั่งบรรลังของเขาเลยนะไม่ใช่ไปถึงก็ไปแบบธรรมดานีบอกไปนั่งที่ที่ ท, ที่ปกติแบบบรรลังที่นะแท่นที่เขาแบบอํานาจมากใหญ่โตลเลือกเกินในแท่นนั้นเนี้ยพระองค์ไปถึงก็นั่งตรงนั้นเลยนารายักษ์ผู้กินคนนั้นเนี่ยนะเห็นพระธินกรมุนีพุทธเจ้าก็เปล่ง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 มีกรรมสรกตาปัญญาเกิดขึ้นรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เลยว่าเราฆ่ามนุษย์กินไปขนาดนี้เนี่ยมันโทษหมหาศาลขนาดไหนพระพุทธเจ้ามาเพื่อช่วยเราแท้เมือ่อใดเหมือนโจรองคุลิมาเนี่ยพอได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านรู้เลยนะว่าเนี่ยพาะมหาบุรุษมาสงเคราะห์เราเน่แท้พระมหาสมณะมาเพื่อสองเคราะห์เราที่ ท, ที่ที่ออกบวช ด, ด้วยเหตุผลหนึ่งเพราะเชื่ออยู่แล้วเพราะข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยองคุลิมาก็รู้อยู่แล้ว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 อย่างถ้าถ้าปกติแล้วนะเขาเป็นพวกหาปูหาปลาลา่าสัตว์ยิงนกตกปลาไล่ไปด้วยพอมีหนึ่งวันเป็นงานเทศกาลบูชาพระเนี่ยนะพวกเนี้ยตรงกันข้ามจะไปเที่ยวเก็บดอกราช จ, จะเพลิดดอกอะไรก็ได้ที่มันเป็นดอกนะป่าเขาแถวไหนก็ไปรวบรวมดอกนั้นมาบูชาพระ น, นะวันผ่านไปหมดวันพระก็ไปทําต่อเนี่ยนะ ก, ก็ในในใ น, ในยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะตามชนบทร้ายแห่งก็เป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันคือคนมันก็ไม่มีใครบาปโดย แบบแบบแม่เบลสุดๆไม่มีวันดีบ้างเลยก็ไม่ใช่จะมีใครดีสุดๆเวนผ้าอริยะก็หาได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็คละเคล้าเกลือกล้วทั้งดีทั้งชั่วนะสลับกันเป็นไปถ้าชั่วมากก็อย่างว่าทางใครก็ทางไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ถ้าดีมากก็ไปดีะนะก็วัดการเทศแถวนั้นแหละมันก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนั้นก็กบูชา นะพอยักษ์เนี่ยเลื่อมใสายมากนะที่คือถ้าคนปกติธรรมดาใครจะมานั่งบันลังตัวเองได้เนี่ยนะเพราะคนที่ยิ่งกว่าเราเท่านั้นแหละที่จะมานั่งที่เรานั่งได้ก็เลยเอาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่เนี่ยบูชาร้องเพลงประสานเสียงส ด, ดีร้องเพลงชื่นชมด้วยนะดีใจมากร้องเพลงชมอัญเชิญเนื้อยืนกระไวาไหวยกมือไหวท่วมหัวยืนนมัสการยืนนอมน้อ ม, อมก้มกราบอยู่นั่นแหละ จากนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นปาฏิหาริเช่นนั้นก็เลื่อมใสามาประชุมกันพากันยืนนอบน้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พระพุทธเจ้ากกุสันทะผู้ไม่มีปฏิสนธิคือพระองค์เนี่ยไม่ปฏิสนธิในนรกเปรตสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมในไหนทั้งนั้นแหละ น, นะเพราะพระองค์ทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังน ร, เ, นรเทพยักษ์และมนุษย์เทวดาที่บูชายิ่งให้อาถาน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 ต่อจากสมัยพระเวสสุูพุทธเจ้าอัน น, นี้เป็นข้อความในพุทธวงที่พระองค์ตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันท่าผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ผู้อันใครใครเข้าเฝ้าได้ยากพระองค์เพิกถอนภพทั้งปวงถึงฝั่งบำเพ็ญบารมีแล้วทำลายภพเหมือนราชสีทาลายกรงทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด เมื่อพระกะักุสันท่ผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจากธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์4ี่ 0,000 ื่นโกดพระองค์ทำยามากะฏปาฏิหารลงพื้นนภาการยังเทวดาและมนุษย์สามหมื่นโกดให้ตรัสรู้ในการประกาศอริยสัตว์สีเนี่ยนะสัตว์จะทั้ง4ทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมกักแกนราเทพยักษ์นั้นธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์จํานวนนับไม่ถ้วนเนยนะ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 การที่พระองค์ทํากิจเหล่านั้นก็จึงมีผู้ตรัสรู้ต่อไปว่าพระกะคโกสันท่าพุทธเจ้าผู้รื้อเครื่องผูกคือพบนะเครื่องผูกไว้ในพบก็คืออานะโอคโยคคันธานิวรณะอนุสัยสังโยชคกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมอริยะสาวกครั้งเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้า อ, อมีผ้าหันมารวมการประชุมเนี่ยนะสาวกสันนิบาตอันประกอบไปด้วยองค์สี่ส0 0หมื่นท่าน ที่บวชณป่าอิสิปตนามฤุกทายาวันเนี่ยนะก็กรงเรียกว่ากรุงกันนกุชเรียกว่ากันณกรุชานครแสดงว่าเมืองพระนศีในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันธามีชื่อว่ากรุงกันณกรุชานคกรในกลับเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงทำมาจากที่เดียวกันนะก็คือที่ป่าอิสิปตนามฤุกทายาวันเนี่ยนะ พระองค์แวดล้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นก็แสดงปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในวันมาฆปุรีีนะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกุสันทะทรงมีสันนิบาตประชุมสาวกขีนาศพู้ไรมนทินมีจิตสงบคงที่ครั้งเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านะขออภยัยครั้งนั้นเนี่ยมีสันนิบาตการประชุมพระสาวก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 ที่เป็นเช่นกับข้าศึกมีอาสวะโอคะโยคะคันธานิวรณะอนุสัยสังโยตกิเลสบาดอากุศสลธรรมทุกชนิดเหมือนกันทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์สมณะโคดมของเราเนี่ยนะตอนที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั้นพระองค์เป็นพระราชาพระนามวา่าพระเจ้าเขมะทรงถวายบาตรถวายจีวรเป็นมหาทานถวายเภสัตชคือยาทุกอย่างนับตั้งแต่ยาหยอดตาไล่ขึ้นไป แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายสมณบริคารอย่างอื่นหลังจากที่พระองค์สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็มีใจเรื่อมใสนั่นก็คือฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธศาสนาสอนอะไรพระพุทธศาสนามีเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เข้าใจครบถ้วนเสร็จแล้วเรื่อมใสก็เลยสละบาลังบวชเลยแหมใจไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฟังธรรมจบแล้วบวชได้เลยเนี่ยนะความ ไม่ต้องปรึกษาอำลาใครสักอย่างเลยนะเอาก็เป็นเสรีชนอยู่แล้วเนี่ยนะก็เป็นอิสระชนอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปต้องคอยไปปรึกษาใครก็เลยบวดได้เลยพระศาสดาพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้ากักุสัมถะก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในกัปนี้แหละแต่อีกหลายหมื่นล้านปีนักแลท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถือว่ากัปนี้ลกันเหมือนน เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้ภาษาริบบทฟังว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าเขมะถวายทานไม่ใช่น้อยในพระตถาคตและสาวกของพระองค์ผู้ชิโนรถถวายบาจีวรยาหยอดตาไมา้เท้าไมา้มาสางถวายสิ่งของที่น่าปรารถนาะเหล่านี้ล้วนแต่ของดีๆพระมุนีกะกุสัมถะพุทธเจ้าผู้นำวิเศษพระองค์นั้นได้พยากรณ์เราว่าในพระตกันีแล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 อสาธารณยานหคืออะไรบ้าง น, นะอาสยานุสยายานอินทรียปโปรปริยัติยานยมกะปาติหาริยญ า, านมหากุณาสมาบัติยานสัพพัญญุตยานและอนนาวรณยานแต่ว่ายกตัวอย่างเฉพาะสัพพัญญุตยานแต่ว่าไม่ใช่สัพพัญญุตยานอย่างเดียวพุทธคุณที่เหลือทั้งหมดโดยยกสัพพัญญุตยานเป็นประธานเนี่ยนะ อย่างบอกว่าปราถนาเป็นพระราชาไม่ได้ปรารถนาว่าชื่อราชาติดไว้ที่หน้าอกไม่ได้อย่างนั้นแต่หมายว่าตําแหน่งนั้นก็แล้วว่าต้องการทั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละฉันใดพระองค์ปราถนาเป็นพระธรรมราชาก็ฉันนั้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาไม่ชักช้านีนะผู้มีปัญญาเร็วพลันพระองค์นั้นเป็นาศาสดามีพระบิดาพ่อเป็นพราหมณ์ชื่อว่าอาคิทัตตะชนนี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 มีอัคราสาวิกาชื่อว่าพระสามาและพระจำปาโพเพิกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นสิริสะไม้ศึกมหามุนีนิสูง42สศอกรัศมีสีทองเล่นออกไปโดยรอบๆอ บ, อบสิบโยศพระกากุสันทพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุยุคสี่0ม่นปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอค้า พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกช่วยกันขยายตลาดธรรมะ น, นะขยายตลาดธรรมะเนี่ยนะข้าไรข้าโพธิปักขยธรรมเหมนค่ะสติประธานสมมติประธานอิทธิบาทอินทรพล ะ, ระโพชงแปดอ่ะโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 น, นะขยายตลาดธรรมะที่เรียกว่าเพียบพร้อมอ่าต้องต้อ ง, อ, งอ่านในมิลินถ้าปัญหาเล่มสามเนี่ยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างงี้ยเยอะแยะเลยอนนะอธิบายเชิงรูปธปรรมนี่สูงมาก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 คุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าเน่แทนะไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระศาสดาด้วยคู่พระอัครสาวกด้วยอสีติมหาสาวกอุปถากทั้งหลายทั้งหมด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 เสด็จประทับอยู่ณนเะขมยกวันหลังจากที่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยอันนี้กล่าวไหมว่าพระองค์พระธาตุของพระองค์เป็นยังไงมัง่งอ๋อมีสถูปที่เดียวนะมีสถูปที่เดียวในหน้า642น่นะว่าพระองค์นั้นมีสถูปสูงจดฟ้าขาวุฒหนึ่งนะก็ประมาณสัก